พควาตอาระหะตูสัมมาสัมพุทธตนะโมทัสสะพะควาตูอระหะตูสัมมาสัมพุทธตนะโมทัสสะพะควาตูอระหะตูสัมมาสัมพุทธตนะโมัมสสะรมควสตูอรหะตสัมมาสัมพุทธตนะโมตัสสะ มหามนุษย์มหาเทวามนุษย์สานังกเทศสีตีตีใโอกาสวัดนีอ้อาจะมาภาพจะแสดงพระสัตร์มเทศนาในยมกปาติหาเพื่อเป็นเครื่องสดสรงองค์สัทธาบารมีที่บรรดาท่านนิสราทานะบดีทั้งหลายพร้อมใจกันมากับเพื่อเป็นกุศลประจำปัก คือวันขึ้นแรมหนึ่งข้มเดือนสิบเอ็ดตรงกับวันจันทร์วันที่สิบสองตุลาคมสองพันห้ารอยสามิบ 5, ้าในวันนี้ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบุตรสัตว์หลายมีความเที่ยงมีความดืมอสายต้อ ง, ส, องสมเด็จพระจอมไตรภรมศาสันดาช ม, มาสัมพุทธเจ้าแต่การแสดงธรรมวันนี้แปรนุสนธิปธรรมเทศนาติดต่อจากวันนี้เมื่อวันวานนี้ ปรากฏว่ามาเทศกันถึงตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่บรรดุขพลศิราอาจเวลานั่นองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่าจะทอธนาเพื่อคนที่เมืองพาราสีร่อพระองค์ทั้งหมดจะยินด้วยเทวดาก็จะยินพราการที่อินทกะเทพประบุเป็นเทวดาที่มีนภาพมากกว่าเทวดาอื่นทั้งหมด แต่ว่าอาศัยที่อศัยที่อาศัยในเมื่อเป็นมนุษย์เธอเป็นลูกชาวป่าพ่อตายตัดฟึนขายเลี้ยงแม่ก็เป็นคนจนเขาเอ่ยบรรดาพระสงฆ์ในศาสนาเขาบอกเด็จประทศกุลไปที่มาใกล้ๆบ้านยิงได้มีโอกาสถวายสังฆทานคือถวายทานกับพระสงฆ์พระสงฆ์ตั้งแต่สี่โกขึ้นไปถือว่าเป็นคณะสงฆ์ถวายถ้าเป็นอดิสง์สังฆทาน ทั้งทั้งที่พระตาหารทั้งหลายไม่เตรียมไว้ก่อนก็ถวายตามมีตําเกิดอา น, นิสงส์เพียงเท่านี้คือหนึ่งความ ก, ต, กตัญญูทวทีในการอนิสงถวายสังฆทานเป็นปัจจัยท่านไปเกิดดาวเด ง, งเทวโลกมีอา น, นิสงส์สูงมากเป็นเทวดาที่มีสมภาพมากกว่าเทวดาทั้งหลายอื่นสําหรับวันนี้ก็จะต่อบมาวันวานนี้ เมืองค์สมเด็จพระจินทร์สีบริศาลศาสันดาสัมมาสัมพุะะทธเจ้าพก็ทรลังแสดงพระธรร ม, มเทศนาโปรดพุทธมารดายอยู่เวลานั้นปรากฏว่าในสวรรค์เช่นดาวดึงก็มีบุรุษคู่หนึ่ง ม, มีเทวดาอุนนุ่นที่มีสุขติทิตะเทพบุตรเทวดานี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ไม่เคยสร้างความดีสร้างแต่ความชั่ว ชิ้นทุกข้อขาดหมดธรรมะบางอย่างก็าขาดเขาทำบุญทางกุศลกันแล้วเห็นแล้วทำแกล้งไปไม่เห็นเวลาเขาฟังทำแกล้งส่งเสียงครบธรรมเมื่อตอนจะตายจากคนพราะอาการใกล้ขามาทุกเวสนามากความจริงก็แม่วงสงเสรพระพู้ไม่ประพาคือ เ, เดินผ่านบ้านเขาก็ไม่เคยไหว้ไม่มีความเคารพในพระไตรสนาคม เตอว่าพวก า, าการใกล้จะจงหรือใกล้จะตายทุกเวทนาจัดก็มองดูบุตรปัญญาที่ดาฆ่าท่าจิ้งชายและสบัติทั้งหลายก็คิดว่าคนทั้งหมดนี้เขาสงสารในเราแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาภาระคือความหนักกายทางใจได้ใต้ทุกเวทนาเวลานั้นี่จึงตั้งใจคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปตามข่าวเล่าเลยเขว่าพระส ม, มณโคดมใจดีมากสงเคราะห์ไม่เรียกว่าใครใครต้องการให้สงเคราะห์เราก็สงเคราะห์เขาคิดอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเขาคิดว่าขอพระธับพระสัมาณโคดมมาช่วยเขาหายจากโรคแต่ความจริงเขาจะต้องตายเราช่วยหายไม่ได้ศัญญกรรมแบบสัญยกรรมแบบโยไขเขาก็ตายลงไปเพราะคนนึกถึงพระพุทธเจา้า ให้มารักษาโรคเมื่อตายจากความเป็นคนเพราะอาศัยบุญเล็กน้อยแต่เป็นมหาศาลใหญ่ก็มีตัาพาดใหญ่จึงนำเขาขึ้นไปเกิดบนดาวเรืองเตเปโลกมีวิบานทองคำเป็นที่อยู่มีนาฟ้าหนือพันนบริวารอาศัยความสุขสำราญในความเป็นทิพย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีความระหมาทสร้างครามทั่วไว้มาก เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาประมาทไม่เคยสร้างความดีต่อต่อพระองค์ทศเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ะเดชเกิดไปบนเทพโสตมันดาเทวดาทั้งหมดประพัน์เทศจากพระเจ้าจะเขาไม่มาเพื่อเสนอความเป็นทิพย์ในเวลานั้นกระไรก่อนว่ามีเทวดาองค์หนึ่งตามพระบาลีว่ากาสจารีแปลว่าเทวดาเที่อบอุ่นอากาศ เมนังพื่นั่งฟังเทศคู่หนึ่งเจ้ลุกจากที่ไปประกาศตามวิมานต่างๆว่าเ จ, จ้าของวิมานทั้งหลายเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปิรุณสัจสันดาลสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศน์สุทธมานดาที่บรรดุคำพันธสัรราญาขอทุกท่านจะมาเป็นบรารมีเสริมว่ามความดีเก่าเพื่อสร้างบุญบรารมีเหลือขึ้นเทวดาอื่นเข้ามาแต่สุปติจิตตาที่บดแปลก เมื่อเข้าไปใกล้วิบาลสุปฏิจิตาทิบุตรท่ า, ากาสจารีเห็นว่าเครื่องที่พุงเขาเศร้าหมองจึงมีความรู้สึกว่าภายในเจ็ดวันเทวดาองค์นี้จะต้องตายจึงเล่าประกาศว่าใครหนอเป็นเจ้าของวิมาณหลังนี้ท่านจะตายภายในเจ็ดวันแล้วทำไมพระองค์ถงเด็จพระรัทีบแก้วเสเดจมา ยิงไม่ไปบรรพินปกวณบุญมรรมีต่อเพื่อชาเสริมสร้างความร้างเสริมความดีเมื่อสุปฏิทิตาเทพบุตรได้ฟังก็ตกใจมองดูร่างกายเครื่องทิพส่อมมองมองดูที่รักแรกเหงื่อไหลาจากรักแรกเทวดาแสดงว่าไม่ชาต้องตายแน่พระอาศัยความเป็นทิพของท่าน ก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความเป็นเทวด า, าจะไปไหนก็ทราบว่าเพราะอาศัยอาศัยบาปเก่าที่ทําไว้เมื่อตายจากความเป็นเทวดาแล้วก็ตกนรกเอเวจีมารกก่อนแล้วก็ตกนรกทุกขุมจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรต เ, เ, เ, เ, เป็นสุรกายจากสุรกายเป็นสติชัน ที่ตอนเป็นสัตว์ชานนี้ก็เป็นสัตว์วิเศษอีกสี่อย่างคือมีแรงมีเกิดเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นสุนัขว่าห้าร้อยชาติเป็นต้นเมื่อทราบกดของกรรมเขตนแล้วก็ต่งใจร้องประกายขอให้อภัยขอให้ธนากาจารีเท่วดช่วยถ้าการจารีก็บอกว่าเคยกับฉันก็เป็นเทวดาเหมือนกัน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 ต่อมาก็พระอินทยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีองค์เดียวที่ช่วยได้คือสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้แน่นอนพระอินะพาสองเทวดาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินนวรสที่บุรุษพลศิลาอาตกราภทูน่ายทรงทราบเทวดาองค์นี้จะต้องตายภายในเจ็ดวันเมื่อตายแล้วก็พุ่งหลาลงอเวจีมหานมรก ถ้าตกนรกทุกขุมตามที่กล่าวมาแล้วเราเอาใส่บาปเลยมันมีมากความยิงบาปของสมปติติตาเทพบุตรที่บรรดาาิพุทธบริษัทเจ้าบาปของทุกคนที่มันนั่งในเสลานี้มารวมกันทั้งหมดก็ยังไม่ได้ครึ่งของสมปติติตาเทพบุตรพราะว่าทุกคนนี่มีศีลถ้าศีลขาดไม่ครบกันไม่ครบถ้วนไม่ใช่ขาดตั้งห้าขอ้อและประการที่สองก็มีความเครพในปไตยนาคม แต่การในสารพระจักให้ทานถวายสังฆทานเป็นต้นวันนี้ใส่บาตรเทโวก็เป็นสังฆทานพัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์ก็เป็นสังฆทานเป็นทานใหญ่ท่านนอกจากนั้นบรรดาเทพ萨สต ร, หร์หลายยังได้เคยฟังเทศจากบรรดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนาสําหรับสมป ต, ติทิตาเทโวนั้นความดีอย่างนี้ไม่เคยทํามาบาปมากเหลือเคิน แต่ว่าในเมื่อพระอินทเข้าไปพ่อพระเจ้าแล้วก็เล่าความเป็นมาให้ทราบองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่อเจ้าจึงงตรัสว่าถ้าเราจะเทศอภิธรรมจสระสมควรกับเทวดาองค์นี้ไหมก็ทรงทราบตามวาระรณะจิตเพระองค์สมเด็จพระจอมใจว่าถ้าเทศอภิธรรมจะฟังไม่รู้เรื่องในที่สุดก็จะตายตกอเวจีมหานรกจึงพิจารณาการเทศพระคุณจะเทศอะไรก็ทราบว่าถ้าเทศเทศอุณอิทวิชั ย, ยาสูตร จะเป็นที่พอใจของเธอว่าเธอฟ้องจบที่เป็นมุโสดาบันเรื่องบาปกรรมต่างๆที่จะชาระนี่นั้นเลิกกันถ้าเป็นมุโสดาบันแล้วนะบาปทั้งหมดไม่สามารถให้ผลได้มีทางเดียวเดินเข้าไปใกล้นิพพานและถึงนิพพานจากนั้นองค์สมเด็จพระคิตตมาเนี่ยแสดงองค์ในจุใจจะสูตรพอจบเธอเป็นมุโสดาบันเดี๋ยวนั้นเหนือ บ, บรรดาอาจารพระทวาริสัตวทุกท่าน ทำว่าบาปมีกับคนทุกคนแต่ว่าคนทุกคนก็ตั้งใจทําบุญพระปฏิทิตรคนนี้ไปเทวดาเ ป, เป็นเทวดาได้ก็อาศัยพุทธานุภาพคือนึกถึงพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอบรรดาตท่านพุทธบริษัททุกคนอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแต่ความตายเราจะตายกับความดีคือนึกถึงคุณพระองค์สมเด็ดจพระจินดาสี เึ้นภาวนาวัพุทโธหรือว่าท่านจําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทํานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นึกถึงพระธรรมก็ได้ก็ ถ, ถึงพระสงฆ์ก็ได้นึกถึงทานการบริจาคก็ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดไว้ในเรื่องของกุศลทุกคนจะไปสวรรค์ทันทีแต่ถ้าความถ้าความดีสูงสุดก็ไปโน่นไปนี่ไปพระฏิพาน ตอนนี้ผ่านไปได้ฝักวันหนึ่งบรรดาท่าพุทธวิสัตถ์หลายในขณาที่องค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสศักดา์สัสมมาสัมพุทธเจ้าเทศอยู่ที่นั่นเวลาตอนเช้าก็ลงมาเป็นธรรมบัติแล้วก่อนที่มาเป็นธรรมบัติก็สนทนไม่พระพุทธเจ้าแทนพระงก็มาเป็นธรรมบัติพระเจ้าองค์แทนก็เทศต่อต่อไปแต่เทวดาทั้งหมดไม่ทราบพระพุทธเจ้าลงมาเป็นธรรมบัติ วันหนึ่งแม่องค์สมเด็จพระพูธ ม, ม, าามพพีพระพระเจ้ามาพิทักษ์มาเที่ยวแสบโขคณีพรอพอดีพระภาษาดีบรมาถึงพอดีพระพุทธเจ้าจะเรียกภาษาดีบทว่าสาธิบุ ต, าาบ ต, ตะดูก่อนสาธิตรเธอจะมาที่นี่รูปสิทธิ์ของเธอทั้งห้าร้อยองเคยเกิดเป็นข้งขางคาเมา่ก่อนในสมัยพุตะตกระศกเธอนอนอยู่ในถ้ำ พระพุทธเกษตทรงเทศเพื่อพระอภิธรรมบรรดาพระทั้งหลายฟังแลกโดยสาธยายเพื่อจดจําไว้เพื่อปฏิบัติเมื่อขณะที่พระสวดอภิธรรมเจตจำนปีอยู่บรรดาครั้องคารทั้งหลายพวกนี้ฟังเลินในที่สุดก็หลับหลับแล้วก็หลุดมาตายทั้งห้าร้อยตัวเมื่อตายจากความเป็นเครื่องคาวแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์กฤเทวดาวบนสวรรค์ชั้นดาวถึงสตรีวโลก เมืม่อพุทธบาทการนี้เธอมาเกิดเป็นลูกชาวประมงแล้วก็มาบวชทันสนักของเธอวันนี้ถ้าเธอเข้าไปแล้วฉันข้าวเสร็จจงเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดประเทศอภิธรรมอาศัยทีย่เขาเคยฟังอภิธรรมมาแล้วไปฟังใหม่ให้มาฟังจบเขาจะเป็นเขาจะเปพระสานทันทีเพราะไปสมมิธายานแล้วองค์สนเด็จพระชิตใหม่ก็ส่งสเด็กกลับขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวถึงสติวโลก เรื่องนี้มันยาวจังเลเอาสัหน่อยนะเอาเรื่องเดิมมาหน่อยนะก็ไป็ว่าอาดีตข้างข่าวพระทันหลายพวกนี้ที่เป็นข้างข่าวฟังพระธรรมในเวลานั้นแล้วต่อมาในขณะนั้นขณะที่ข้างข่าวฟังพระสดอภิธรรมก็มีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งนอนฟังอยู่เหมือนกันความจริงไม่ตั้งใจจะฟังแต่ก็จําเป็นจะต้องฟังพระพระสดที่นั่น ตัวเองก็ไปทั้ไหนไม่ค่อยจะไหวแต่การฟังพระอาจารย์ทั้งเจ็ดจำพีคือชอบกับวีเดียวคือบทบทปัญจกันทาที่พระสวดปัญจกัณฑาญ่ว่าจากคุณที่ยังโสตินทียังคานินทียังเป็นต้นเธอชอบเฉพาะ บ, บทนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็เปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเรืองสติวโลกเหมือนกันนี่สัตว์ฟังเสียงพระสวดก็ เ, เกิดบนสวรรค์ได้นะ จะลืมหลังจากนั้นมาหมดบุฒวศาสนาบริจากความเป็นเทวดาเขามาเกิดเป็นคนมาบทในในสนักของอาจเจลกเธอได้สมาบัตแปดก็ได้ทิพกุ ญ, ญานด้วยดยานต่งตางๆหลายอย่างทั้งทิพกญญุญานโสตยานอตีต่างยานนางคต่างยานเป็นต้นเธอได้ยานต่างๆวันหนึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอาสุกมาได้เกิดแล้ว พระเจ้าที่ผ่านได้ประมาณสองพันสองรอยปี เ, เศษพระเจ้าสมหารายเกิดเป็นเด็กเล็กวันหนึ่งเมื่อว่างแขกแม่ก็พาลูกชายไปหาพ่อคือเป็นพระราชาพ่อก็รับลูกชายไปนั่งบนตักก็พอดีลูกชายขี้แตกออกมาจิงหเอ้ยลูกชายขี้ออกมาแต่ก็จับโลกมาวางข้างนอกนอกตัวเอง มันดาก็พาไปล้างน้ําไปอาบน้ําเสร็จแต่งตัวให้เรียบร้อยก็พาไปเดินไปนอกพาไปเดินนอกเมืองนอกเขตนเพราะวาพระจะวังเวลานั้นพอดีอาเจลกท่านหนึ่งท่างูเหลือมเนี่ยอาเจลกเดินผ่านมาก็เจ้ามองดูเด็กถ้ามานดา ย, ยินถามว่าพระคุณเจ้าต้องการอะไรทําไมเจ้างแต่งมองเด็กคนนี้ อาเจย์ลกอาศัยได้ได้ทิ่ปุญยายขาก็บอกว่าคอยเลี้ยงเด็กคนนี้ไวด้ดีๆเด็กคนนี้มีบัญญาที่การมากต่อไปจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ก่อนที่จะศักษาที่รันแลเสด็จราชสมบัติก็จะต้องฆ่าน้องชายต่างมันดาแปดสิบสี่คน เมื่อฟังแล้วท่านก็เมื่อพูดแล้วท่านก็นหลีกไปมันดากา็พาพาลูกน้อยเดินไปเที่ยวต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตเขาก็เชิญพระเจ้าเอาสมาราชขึ้นเสมอถึงราชสุบัตพิพาะเป็นลูกชายคนโตแ้าม่มีลูกชาน้องชายองค์หนึ่งคือทศทิวัธรรมศนาต่อมาท่านเป็นพระรหรัน หลังจากนั้นบรรดาน้องชายนต่างพมานดาแปดสิบสี่คนคิดจะแย่งสมบัติจึงนํากําลังทหารทั้งหมดมาล้อมวังตามธรรมดาทหารา ท, นนนทั้งสาวังในมีไม่กี่คนที่จะน้อยทั้งทหารภายนอกมีมากท่านเอาสมภารราชิษฐานน้องชายว่าเราจะยองเขามไม่ยอมน้องชายที่ททว่าทรมาเสนาบอกว่าในฐานะที่เราเป็นกษัตริย์ ทำว่ากษัตริย์แปลว่านักรบเราจะต้องรบถ้าสู้ไม่ได้ให้มันตายในสงครามจําเป็นต้องสู้ในที่สุดตกองจาเป็นต้องสู้ทั้งๆที่เป็นทหารน้อยกว่ามากแต่ใส่ปัญญาธิการมากจับน้องชายแปดสิบสี่คนได้ถ้าสั่งประหารชีวิตว ถ, ถ้าเราถวิลได้จะสมบัติต่อไปต่อมาปรากฏว่าวันหนึ่ง ท่าเกิดความสงสัยว่าเหตุร้ายอย่างนี้เคยมีใครพยากรณ์ไหมก็ถามพระมารดาว่าเหตุร้ายต่างๆนี้เกิดขึ้นนี่เคยมีเคยมีใครพยากรณ์บ้างหรือเปล่าพระมารดาก็บอกว่ามีแต่สมัยที่พระองค์เป็นเด็กแม่พาไปนอกวงังม่อาเจนโลกท่านหนึ่งคําว่ า, าเจนโลก เ, เป็นบรรดาญาโยพุทธบริษัทเป็นพาที่แก้ผ้าเดินไม่มีเสื้อไม่มีผ้าเป็นร่างกายเฉย ได้พยากรณ์ไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ท่านจึงถามพระมารดาว่าเวลานี้ยไอเจีรกท่นนั้นอยู่ที่ไหนพระมารดาก็บอกว่าเวลานี้ยอยู่ไกลจากวังใบบานร้อยโยธท่านจึงสั่งกระบวนกองเกียติยศพร้อมด้วยขันหามไปรับทนายจารย์เข้ามาในวังพระเยริเป็นหมอดูประจําแ้าเมื่อกองเกียรติยศไปถึงไอเจลกแล้วก็บอกาให้ทราบ พอเวลานี้พระราชานิมนต์เข้าไปในวังอาเจโรก็ดีใจทั้งแค่์ขางขันามาเมื่อนั่งขันามาแล้วก็ผ่านวัดพุทธศาสนาเพื่อมีประสงค์บางเอิญเจ้าวาดวัานั่นไปพระหันานข้าไปสมิไทายานเธอก็มีความเบ่งคิดว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายธมจีวรโนุสบงทรงจีวรพาสสังกติแต่งตัวสวยแต่พระราชาไม่ต้องการ เราไปอจเจลกไม่มีพ้านุงไม่มีหอมบราชาต้องการก็อยากจะโอดเด็ดสักดาจึงบอกกบรรดาขบันแหน่ว่าว า, วางแค่ที่นี้ก่อนจงหยุดไว้ก่อนเราไปทุระกับบรดาประสงค์ในวัดนี้ต้องเข้าไปหาพระธวัมดีก่อนความจริงเขาจะเข้าไปเบ่งแต่ว่าในฐานนะ ที่พระองค์นั้นท่านเป็นพระอาหารหันต์ด้วยเป็นไปนสัมิทายานด้วยก็ทราบวาระดมจิตธรรมดาพระเนี่ยถ้ารู้แล้วก็ต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้เนะี่ยเป็นคนธรรมดาญาติโยมนะเวลาไปหาพระก็ต้องระวังหน่อยพระที่มีชื่อเสียงมากๆบางดีท่านรู้ทุกอย่างแต่ความรู้สึกของเรารู้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านรู้ในใ น, ในอดีตที่ผ่านมา แต่ไม่ใช่ภาระท่านที่จะปยากรถ้าก็ไม่พูดเว้นไว้แต่เราจะถามถ้าเราจะถามท่านอาจจะตอบแต่อาจจะตอบตรงบ้างเฉียงเฉียดไปบ้างตูตามลูกความว่าคุณจะตอบแบบไหนสาหรับอาจรลกคนนี้มาลงจะแคร์อาคาคันหามแล้วก็เดินเข้าไปในวัดสมผานวัดออกมารับที่ขอบที่ขอบประตูวัดที่เขาวัดตอนมารับนอกรั้ว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 ชื่อไปชี้ไปที่สิ้โตอาจาะย์ น, นีชื่ออะไรท่านบอกชื่ออายตนะชี้ไปสองสามที่ตั้งกระอบวายตนะเสมอท่านก็ถามบ้าเธอรื้ออายตนะแล้วหรือเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยบุญเก่าที่เคยฟังอวิธรรมเธอก็บรรลุประสดาบันทันทีอาจารยาเอ้ย อีตอนมนุษยะโสดาบันนีที่เราตประปาเขก็มาทีนะเกิดความละอายว่าตัวเองแก้ผ้านั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้านะฮ ะ, ะลองดูลองแก้ผ้านั่งพับเพียบดูพีพพ <laughs> มันจะมิดแต่ไม่มิดใครสงสัยก็ลองดูก็ได้นะลงเครื่องแก้ผ้าถ้าก่อนแล้วนั่งพับเพียบปิดหน้านะเออ <laughs> แล้วพระเธอเลยเอาผ้าจิวรมาส่งให้สมบงมาส่งให้เขาก็นุ่งผ้าแล้วเขากลับออกไปบอกทั้งพวกคันหามพระขบวนแหบอกเธอจงไปก่อนเรายังไม่เสร็จศุระจากพระวัดนี้เมื่อเสด็จศุระแล้วกล่ทูลราชาว่าถ้าเสร็จศุระจะไปเองขบวนแหก็กลับแท่าเข้าไปในวัดใหม่พระเจ้าจว่าทัคกเทอวิธรรมจิตคัมภีร์ตามเดิม พอฟังตกก็เป็นพระอรหันต์ไม่สมิธายานทันทีนี่แต่มรดาท่านพุทธวิษัตทนงหลเวลาที่ชาวบ้านเขาตายจัดนางขดีมนพระไปสวดอภิธรรมเพราะว่าพระอภิธรรมนี่มีอานิสงส์มากที่พระเจ้าเลือกเทศตกลมารดาหากว่าท่านตั้งใจฟังจริงๆถ้าตายจากความเป็นคนยังไม่ไปทิ่พาน หลังจากนั้นท่านได้ฟังพระสวดรพระเทศอภิธรรมก็จะได้อย่างน้อยได้ไปโสด า, า, า บ, บันทันทีเหมืนกันอาณาบรรดาจ่พระเจ้าอวยสัทย์ท่านในเวลาหกนาทีตอนนี้ไปก็พูดเรื่อ ง, องพระพเจ้าในย่อแล้วนะมันก็ยังไม่หมดเรื่องเนี่ยยังมีอีกมากนะเล่าต่อไปนีะเยอะแยะเทศเจดวันก็ไปจบพระพุทธเจ้ามาถึงวันออกพรรษา ค, คือวันนี้ ก็จะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัดธนาครที่แสดงเยาวกปฏิหารพระอินีรก็ทรงบันดาลให้เกิดบันไดแก้วเพื่อพระพุทธเจ้าจากดาวดึงมามนุษย์ยาวหลายแสนโยต์ด้านซ้ายเป็นบันไดทองถ้าพรหมลงมาด้านขวาเป็นบันไดเงินสำหรับเทวดานางฟ้าลงมา ถึงเวลาแล้ ว, วพระเจ้าสมเด็จเดินนําพระอิ น, นทร์นำเทวดานางฟ้าผุมทั้งหมดลงมาที่ประตูเมืองสังกัดธนครพราะสมเด็จพระพู้มีพระลงมาแล้วก็แปลผลว่าบรรดาพระสนทั้นไหลก็ดีชาวประชาชนนั้นไหลก็ดีที่มาเทพมาว่านี่บอกว่าเขาคอยจะกว่าพระเจ้าจะกลับต่างคนก็ต่างมาเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าทรงจะประทับบรรดานปฎิหาร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 มีพระสงฆ์ธรรมเรนงเข้าไปเฝ้ามากอันดับแรกพระองค์ถามปัญหากับพระอิสุสงธรรมดาที่ไม่ได้ฌานสมาบัติถามว่าอารมณ์ของฌานเป็นยังไงพระที่ไม่ได้ฌานตอบไม่ได้พระที่ทรงฌานตอบได้พระตอตาอารมณ์ที่ตนได้ถ้าตอบไปก็ถามาอารมณ์ของพระโสดาบันกับพับจะทรงฌาน ถ้าที่ทรงชานตอบอารมณ์ขพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันก็ตอบต่อมาถามปัญหาเป็นวิสัยขระสกิทาคามีพระโสดาบันก็ตอบไมได้พระสกิทามาวีก็ตอบต่อมาก็ถามวิสัยขระอนาคามีพระสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบต่อมาก็ถามขึอพระอรหันต์อารมณ์พระอรหันต์ถ้าอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบ ต่อมาก็ถามเรื่ออารมณ์อรหันต์เหมือนกันแต่เป็นอารมณ์เขาว่าภาษาบุบงซ้ายพระอรหันปกติธรรมดาตอบไม่ได้พระโมกขล็ตอบต่อมาก็ถามพระโักลาเรื่องปฏิปทาเขอว่าภาษาบุบงขวาคือของพระษารีบุตรพระโมกขลาตอบไม่ได้ก็ถามเรื่ออารมณ์นะภาษารีบุตรตอบได้ต่อมาอารมณ์สมเด็จพระจอมไตรก็ถามปัญหา ข้าพมาสมารพรุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องตอบต้องถามใหม่ถามเป็นการแนะนำไปในตัวเสร็จถาสารีบุตรตอบได้นบีบรรดาแตาพระตัวสัหลายการปฏิบัติธรรมจงอย่ามีความเข้าใจว่าเรามีความรูต้ตลอดตลอดกาลตลอดสมัยอารมณ์ใจเป็นเรื่องความมีความสาคัญ ทราคนที่ไม่ได้ชานจะพูดเรื่องชานยังไงไมันก็ไม่ถูกคนที่ไม่ได้เป็นมระโสดาบันจะพูดยังไงมระโสดาบันก็ไม่ไมถูกอารม์มัสโซดาบันดีไม่ดีของง่ายๆพูดให้ยากถ้ามีความเข้าใจผิดนี่บรรดาญาติโยมท่านพระเป็นสาวกอขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้เดือเวลายสองนาทีก็จะขอแนะนําอารมณ์ของมัสโซดาบันเป็นสักเล็กน้อย อรมณ์โสดาบัญจีจีมีสามข้อคือหนึ่งสกายยติธิสองวิจิกิจฉาสามเสียปะตะปรามาธแต่จงจำเร็วว่าะโสดาบัญก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์ท่านปัญญาของโสดาบัญก็มีทุกความรู้สึกว่าชีวิตที่มันต้องตาย สักวันหนึ่งข้างหน้าเราตายแน่แต่ก่อนจะตายเราก็ไม่สงสัยที่พระพุทเจ้าพระธรรมพระอริยสิจิช้านแน่ตัดความสงสัยออกยอมรับจับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแต่การในาสารศิลปตปรามาตไอ้คำว่าสิรปตะปรามาตรัรรรกษาศีลไม่จริงรูปคําศีลก็เลิกกันรักษาศีลอย่างหมดจดแจ่มใส เป็นอนุนปัฏโสดาบันจึงมีคุณธรรมสามอย่างคือหนึ่งนึกถึงความตายรายการที่สองยอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์รายการที่สามมีศินห้าบริสุทธิ์อย่าลืมว่าระโสดาวันก็ดีพระสิธาคามีก็ดียังมีการแต่งงานยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีอารมณ์ไม่ชอบใจยังมีความอยาก ร, ร่ํารวย แต่ถ้าว่าทุกคนถึงแมาอยากจะรวยก็รวยในขอบเขตของศีลมีความรักก็รักอยูในขอบเขตของศีลห้าเป็นนับว่าไม่ยอมขายศีลห้ากันแล้วกันอร บ, บรรดา ญ, ญาโยคุตบริ ษ, ษัตทุกท่านอีลามันเดงเพึ่อนาทีขอขจบโดเพียงเท่านี้นะในที่สุดแล้ว่าธรรมเทศนานี่อจะมาภาพขอตั้งสตัตยาที่ฐานอ้างหุณมาเสียตัตน์ไตร มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะทั้งสามประการจงดนบรรดาเนบรรดาท่านพุทธบุตรสัตว์ท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคสงลสมบูรณ์ผลผลถ้าจงจะเดิญไปด้วยจ่าตุรพิตรพรายทั้งสี่ประการมีอายุอรนนาสุขาระระปติภาณหาปัญหาสิ่งใดขอได้สิท่า น, น, นสงความปัญหาจุติบุการอาตมาภาพรัฐาลัยัจนามาข อ, อยุติปัรมปฏินาลงด้วยเวลาแต่เพียงทังนี้ เอวังก็มีเอการอะไรจะนี้หมดเวลาพอดี